นักสาธารุชนบริษัททั้งหลาย <c oughs> และบรรดาเพื่อนพิสูจสม์มเอ็นทั้งหลายวันนี้มาฟังเรื่องราวุมงบรราสามาวดีต่อเป็นว่าในวันก่อนมาจบลงตอนที่พระเจ้าเทนบรมกษัตริย์รำคาญพันนางมาคันตียาไปดูพฤติการของนางาสามาวดีกับหญิงห้าร้อย เห็นเจาะช่องฝาเล็กๆเมื่อถามว่าเจาะทำไมแล้วก็มีเทิงดอกไม้ตั้งอยู่ข้างบนพระนางสามาวดีก็ตอบให้ทราบว่ามองดูพระพุทธเจ้า พ, พร้อมด้วยประสงค์แล้วก็ถวายน้ำมาัสาักการพระเจ้าเทงก็บอกว่าไอ้ทำอย่างนี้เนี่ยมันลำบากไม่น่าจะทำฉันจะทำให้ ยังสั่งให้ช่างเจาะหน้าต่างให้โตออกไปเป็นหน้าต่างเจาะช่องนะเป็นหน้าต่างโตไปหมายความมองดูได้ถนัดเหมือนหน้าต่างธรรมดาธรรมดาเราและจัดระเบียบเชิงดอกไม้หมายความหิ้งบางดอกไม้ให้สวยสดงดงามทําให้ใหญ่ตัวเป็นพิเศษเพื่อให้พรรนางสามาว ด, ดีกับหญิงห้าร้อยนมาเสกการองค์สมเด็จพระบรมโ ล, โล ก, กระเช้าการประสงค์ได้ตามความประสงค์ แล้วก็ทรงเ ส, สด็จกลับทำให้กำลังใจของหญิงห้าร้อยกับพนางสามาวดีเป็นประธานชุ่มเชื่อขึ้นมากหลังจากนั้นพนางมังคียาเห็นว่าการกันแกล่งพนางสามาวดีจะทำให้มันมีโทษมันกับกลายไปมีคุณโชคดีหนักยิ่งขึ้นจิงได้ นัมาวันหนึ่งตามธรรมดาระเจ้าเทนเนี่ยมีพันยาสามคนคนที่หนึ่งคือพนนางสามมาวดีคนที่สองพนนางวาสุนทัตตาและคนที่สามนางมาคันดียาและพระเจ้าเทนก็ทรงอยู่เวรประจำตำหนักละเจ็ดวัน ตำหนักขบันนางสามาวาดีเจ็ดวันตำหนักขบันนางวาสุนทัตตาเจ็ดวันตำหนักของนางบางคณียาเจ็ดวันเป็นว่าท่านต้องอยู่เวรตำหนักในเจ็ดวันนี่เป็นเรื่องของคนมีเมีย ม, มากแต่การยุติธรรมเป็นอย่างดียิ่ง ความจริงหญิงคนใดที่ได้พระเทพเจ้าเทนเป็นสามีก็ไม่น่าจะหนักใจเพราะว่าจิตทรงความเป็นธรรมมีทศพิษราชการครบถ้วนแล้วก็มาวันหนึ่งพระเจ้าเทนไปอยู่เวรที่ตำหนักขา ม, มานางมาคันธียาใกลยย้จะครบเจ็ดวันคือห้าวันขมานางมาคันธียาก็สั่งคนให้ไปบอกอา ให้นำงูพิษร้ายคืองูเห่า <c oughs> พอดเขียวเสยหมดให้เราส่งมาให้นางแล้วผัดพินาศดีกันเข่าไปอยู่เจ้าพระเจ้าเทนนั้นมีช่องอยู่ช่องหนึ่ง <c oughs> ข้างในเป็นโพรงพอที่จะใส่งูลงไปได้นางก็เอางูที่มีพิษร้ายแต่เขียวไม่มีแล้วใส่ลงไปในพิน แล้วก็จัดช่อดอกไม้ซ ส, สวยหรูพันให้รอบๆ <c oughs> แล้วก็อุดรูได้ช่อดอกไม้ได้ช่อดอกไม้งูก็ออกไม่ได้งูต้องถูกทรมานอยู่ในพินทั้งสองวันคืนวันรุ่งขึ้นที่พระเจ้าเทนจะเสด็จไปในตอนเช้าไปไปตำหนักก็ามานางสามาวดี นางมาคณียาก็กราบทูลว่าเมื่อคืนนี้หม่อมฉันฝันร้ายพระพุทธเจ้าค่ะคิดว่าพระองค์สเส ด, ด็จไปตาหนักเพาว่านางสาเมาดีคราวนี้จะมีอันตรายแน่ขอพระองค์อย่าได้ทรงสเสด็จไปเลยพระเจ้าค่ะว่าเจ้าเท่งก็บอกไม่ได้ฉันเป็นผัวฉันต้องยุติธรรม เมียแต่ได้คนฉันอยู่คนละเจ็ดวันเวียนกันไปอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติด้านนางมาคันมาพนางสามาวดีนี่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมมโรคกษันริยคือพระพุทธเจ้ายังไงยังไงฉันต้องไม่เมียอันตรายจากนางแน่ฉันจะต้องไปถึงแม้ว่าอันตรายใดๆจะเพิงมีก็ตามทีฉันก็ต้องไป มันจะตายเพราะความรักเมียก็ให้มันรู้ไปนางมางคริยาห้ามไม่ได้พระเจ้าเทงก็ถือผินจะเด็ดจะด็ดไปนางมังคิยาจะตามไปด้วยพระเจ้าเทงก็ส่งห้ามแต่ก็ดื้อด้านตามไปจนได้พอไปถึงที่นั้นพนางสามาวดีก็ถวายน้ำหอมสิบหกง่อให้สง แล้วก็จัดผ้าอย่างดีวไวิถวายให้ทรงเสร็จแล้วพระเจ้าเทียนก็ทรงเสด็จประทุมบนพระแท่นที่พะนางจัดไว้เอาพินพัสดีกันวางไว้ที่โต๊ะประจำอบคนอื่นเผลอนางมางคดิยาเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเพราะพระเจ้าเทียนเผลอพนางสามมาวดีกระวิงห้าร้อยเผลอคือไม่คิดว่าเขาเป็นศัตรู นางก็ดึงช่อดอกไม้ออกงูพิษที่ถูกขังมาตังสองวันก็เพลียอยากจะหาอากาศบริสุทธิ์ <c oughs> ก็พุ่งตัวออกจากพินไปเลื้อยเพ่นผ่านอยู่บนเตียงบรรทมขมาเจ้าเทนีนแผ่แม่บแม่เบี้ยแล้วก็โข่ฟอฟอ นางบางคณิยาเป็นคนเห็นนี่หิงก่อนก็ร้องแต่โกรว่าพระราชาว่าพระราชาเวลานี้งูจะกัดงูจะกัดนอนอยู่ได้พระเจ้าเทีงก็หันมาเจอ ง, งูก็ตกใจนางจ็เละบอกว่าบอมฉันห้ามพระองค์แล้วพระราชางูแบบนี้จะ ต, ตายเพระญิงกาลีห้าร้อยที่มันคิดฆ่าพระกราบทูให้ทราบว่ามันเป็นชู้กับพระสมณะโคดมดำดาพระสงฆ์ทั้งหลาย ห้ามก็ไม่เชื่อฟังนี่ถ้ามอมฉันไม่มาด้วยก็ต้องตาย<ม>ตอนนี้เล่นเอาพระเจ้าเทงงติว้วแจหาจจะไม่เชื่อว่า ง, งูร้ายมียมามาว่านางสามาวดีทำก็ไม่ได้เพราะมันในห้องของานางสามาวดีทางอื่นมันก็ไม่มีมาจิงทรงพระวิโรธคนนี้ขาดการยับยัง้งเหตุผลมันพอ ยังได้ปัดไล่และให้ใครจับหรือตีงูไปหลังจากนั้นก็คิดว่าหญิงร้ายทั้งห้าร้อยหนึ่งคนนี้คิดจะทำอันตรายเราตรงกับที่นางมารคติยาบอกจึงสั่งให้หญิงทั้งห้าร้อยยืนเข้าแถวเรียงหนึ่งและให้เป็นานางสามาวดียืนข้างหน้าเอาลูกสอนที่อาบยาพิษขึ้นแหลง โกงหวังจะยิงนาให้ตายหรือ ว, ว่ารัฐสดีกันนี่และกำลังเขาพระเจ้าจเทนมากคนมีกำลังมากจะมีเมียได้สบายกี่คนก็ได้แต่คนมีกำลังน้อยมีเมียหลายคนไม่ได้ตายแน่เพราะนั้นว่าถ้ายิงห้าร้อยคนเสร็จจะทะลุทันทีเด๋วยวเจก๊กะทบคล้ายๆผ่านอากาศไปเฉยๆกำลังท่านมาก ตอนนั้นพ น, นางสามาวดีก็กราบทูลว่าจะเพิ่งยิงก่อนพระเจ้าค่ะขอย ห, หม่อมฉันให้อวัยกรยิงท่านหลายก่อนท่านนางก็เตือนบรรดาเพื่อนหญิงทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงอย่ากโกรธในพระ น, นางมาคดียาแล้วก็อย่ากโกรธในพระราชากรรมทั้งหลายเหล่านี้เราไม่ได้ทําในห้องนี้ไม่เคยมีงู แล้วก็งูมาได้ยังไงเราก็ไม่ทราบก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนนามาถ้าถือว่าการที่จะตายในคราวนี้เราตายเพราะกฎของกรรมความชั่วที่เราทำไว้ในชาติก่อนในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระินวรสยงอย่าจองเวรจองใครจองภัยในพระราชาและมณไพรมะนามังคดียา จงแผมเมตตาไปในพระราชาด้วยในพัฒ น, นาม น, นุษยญาด้วยสแสดงให้ความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจขอท่านนันหลายจงมีแต่ความสุขเสวัติพิพัฒนะมงคลสมบุญณพุ่นผลเท่าประสงค์สิ่งใดก็คอยได้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาและทุกคนนิ่งพังนางก็ถามว่าทุกคนพร้อมแล้วหรือยัง คนก็กลาบถูกและพร้อมแล้วพระพุทธเจ้าค่ะนางจิงให้สัญญาพระเจ้าเทียนว่าเวลานี้พระองค์ปล่อยลูกธนูนได้แล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าเทีย น, นหน้ามืดด้วยความโกรธไม่ทันยังคิดแต่ว่าครบอมิคือศัตรูคือคนเลวมาเป็นเพื่อนคือน า, นางานางพนางมางังคดียา ไม่ได้คิดอะไรมากลอยลูกศรทันทีจากแรงลูกศรพุ่งมาด้วยกําลังแรงพอจะถึงอกขุนนางสาวมาวดีลูกศรวกกลับมาอีกจะล่อขอนพเจ้าเทีย น, นแต่ไม่ทันเข้าไม่ทันถึงหล่นตุ๊บไปทีเท้าของพระโอร์ตอนนี้พระเจ้าเทนตกใจเป็นคนมีปัญญาเนี่ย ความจริงถ้าเป็นคนดีมากแต่ว่าถูกไอ้งูตัวเนี้ยไปเกิดความการเข้าใจผิดท่านยังคิดว่าลูกศรนนี่ไม่มีชีวิตลูกศรไม่ใช่สัตว์ลูกศอนก็ไม่ใช่คนไม่มีชีวิตไม่มีอารมณ์คิดกลับไม่ทําร้ายพนังสามาวดีกลับจะมาเล่น ง, งานเราซิอีกแต่พอดีไม่ถึงอกเราหลนเสียก่อน เข้าใจว่าพ น, นางสาวมาวาดีและหญิงทั้งหมดนึ่งเป็นสาวกวโคองคสมเด็จปชินวรอนที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้านี่เธอต้องมีดีแน่โทษอันนี้ต้องไม่มีสำหรับเธอต้องมีใครคนใดคนหนึ่งกลแกล้งหาเรื่องร้ายใส่เธอจุดที่คิดก็คือว่าคิดว่าต้องเป็นเล่เหลี่ยมของนา ม, มาังคดียา จากนั้นพระเจ้าเทียนจะได้วางหัตถินหัสดีกันก้มลงไปจะกราบพี่ธาตุกันางสามาวดีตั้งใจจะเขาก็มาพนนางสาว ม, มาวดีรีบ ก, ก้มลงไปกราบเสียก่อนไม่ยอมให้ผู้สามีกราบจับมือไว้แล้วก็กราบแทนแทนนี่พระองค์กราบแล้วพระเจ้าเทียนก็หมดทางแล้วกลัวจนตัวสัน่น รลัความดีของมร น, นางสามาวดีคิดได้ทันทีว่าเราจะยิงเธอนี่เธอทแทนที่จะโกรธกับสั่งให้คนอื่นไม่โกรธในเราแผ่เมตตาในเราเราเป็นคนผิดแน่ยิงขอกล่าววาจาวันน้องหญิงที่ขอถือถึงน้องหญิงเป็นที่พึงเจ้าจงเป็นที่พึ่งของพี่ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป พ น, นางสาวมาวดีแทนที่จะรับคำแบบพระพยอมขอเป็นให้เป็นที่พึ่งกับพระองค์นางไม่พูดอย่างนั้นนางกล่าวว่าขอพระองค์ผู้ประเสริฐผู้มีพระคุณันยิ่งใหญ่หญคล้ายพระราชาบิดาพระองค์เป็นสามีหม่อมฉันก็คิดว่าพระองค์เป็นบิดาด้วยเป็นสามีด้วยช่วยให้ฉันและก็หญิงบริวารทั้งหมดมีความสุขการที่พระองค์จะถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งและไม่ถูก หม่อมฉันรับไม่ได้พระเจ้าเทียนก็บอกว่าน้องนางต้องเป็นที่พึ่งของพี่แน่ไม่งั้นพี่ตายแน่บรรนาสาเมาดีก็กราบทูลว่าขอพระองค์ถึงที่พึ่งที่หม่อมฉันถึงแล้วเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าเทียก็ถามาว่าใครเป็นที่พึ่งของเจ้าบรรนาสาวมาวดีก็กราบทูลว่านั่นคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย พระเจ้าเทีนก็ยอมรับแล้วพระนางขอกลับว่าขอพระองค์จงถึงพระพุทธเจ้าและประสงค์เป็นที่พึ่งและจงบำเพ็ญกุศลในเขตขององค์สมเด็จพระทศพล์ต่อมาในวันหลังพระเจ้าเทนไดอารัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามารับพระตาหารในพระราชนิเวท้าวันเมื่อองค์สมเด็จพระจิตตมานพร้อมด้วยประสงค์ทั้งหมดเข้ามาแล้ว ถ้าไหวพระตาหารเสร็จพระเจ้าเทียนยังเรียกนางแก้วคือเป็นนางสา ม, ามาวดีพร้อมนางหญิงห้าร้อยมานมัสการพระเจ้าพร้อมด้วยพระองค์หลังจากนั้นหญิงกล่าววายจาวันน้องหญิงความดีของน้องหญิงได้ยิ่งใหญ่มากที่ฉันแยเข้าถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าซึ่งเป็นเหมือนวัตถิบแก้วอย่างนี้แล้วยากนักถ้าไม่ได้เธอ แตาอย่างนั้นพี่จะให้พรเจ้าต้องการอะไรบอกฉันฉันจะให้ทุกอย่างตามความประสงค์พระองค์กว่าวว่าพรนนาวสามาวดีก็กราบทูลว่าพรอย่างอื่นเป็นแก้วแหวนเงินทองของช้ยพระองค์สมพระเจ้าทานครบพ้นบริบูรณ์แล้วพระเจ้าค่ะ ไม่มีอะไรบกพรองแต่พรที่หม่อมฉันต้องการก็คือว่าต้องการให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งห้ารอยรูปมารับพระตาหารแสดงพระธรรมเทศนาในพระราชนิเวศทุกวันในขณะที่องค์สมเด็จพระพิชิตพระพิชิตมารเสด็จอยู่เมือง น, นี้พระเจ้าเท่งก็ให้พรและอราธนาองค์สมเด็จพระชินวรมร พระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดิกาว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบภิตพระราชสมภารตามธรรมดาพระพุทธเจ้าจะไปที่ต้องการของคนภายนอกทั่วไปการจะมารับพัฒนาหารในพระราชนิเวศทุกวันตลอดสมัยที่อยู่ที่นี่เป็นไปไม่ได้ถ้าจะขอพระองค์ใดองค์หนึ่งคณะใดคณะหนึ่งมาไว้อัตถาก็จะให้ ก็เปอนว่าเวลาได้ก่อนอนุญาตให้พระอนนท์เข้ามาเป็นจำเพราะว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นที่ถูกใจของคนทั้งหมดใครเห็นพระอานนท์ก็คล้ายๆก็ได้เห็นองค์สมเด็จพระบรมสุคตเพราะมีรูปร่างคล้ายคึงพระพุทธเจ้ามากถ้าเดินไกลๆบางทีพระสงฆ์ทั้งหลายยังเข้าใจว่าพระอนนท์เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่ง พระปฏิการในสองพระานนททรงวิจาริยาดีมากนิ่มนวลเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปวาจาใดที่กล่าวไปไปกอบมีความชุ่มชื่นกับบุคคลผู้ฟังพระพุทธเจ้าจะมอบหน้าที่มาไปจําวังให้แก่พระอานุน์ต่อมาเมื่อพระอนุนกับบรรลังท่านนนท์เข้ามาแล้วรับพัฒน า, าเสร็จก็เหตุเหตุนางท่านหลายมีความเลื่อมใสปลื้มใจ ยิงถวายผ้าสาดกที่พระเจ้าเทนพระเจ้าทานให้คนละผืนก็เป็นห้าร้อยกับหนึ่งผืนผ้าสาดกนีราคาประมาณะนะแสนกว่านะาหนึ่งแสนต่อมาวันอื่นพระเจ้าเทนทนงมเด็จมาไม่เห็นผ้าไม่เห็นผ้าสาดกที่นางเอาที่รบรรดาหญิงท่านหลายเหล่านั้นก็สงสัย ยังได้ถามว่าน้องหญิงน้องหญิงอยากจะทราบอยากจะทราบว่าผ้าสาดกที่ให้ไวในเป็นมาไปทางไหนก็ทราบจากหญิงทั้งหลายแล้วนั้นว่าถวายผ้าอนุนไปหมดพระเจ้าค่ะพระเจ้าเทงก็สงสัยว่าพระอนุนเอาไปทำไม วันหลังเมื่อพระอานนุ์เข้ามาแล้วพระเจ้าเทงก็ทรงถามก็มีความสงสัยถามพระอนุนว่าผ้าที่ได้ไปเนี่ยไปทําอะไรบ้างทั้งห้าร้อยผืนพระอนุ์ก็บอกว่าอาจจะมาจะเก็บไว้ใช้เฉพาะตนพอควรเท่านั้นแต่ว่าลาที่เหลือจะนั่นก็ถวายพระบิณฑษสง์ที่มีจีวรเก่ากว่าที่มจีวรเก่า พระเจ้าเทนก็ถามว่าพระที่มีจีวรเก่านะรับไปแล้วจีวรเดิมเอาไปทั้งไหนพระอานุนก็บอกว่าถวายแด่บรรดาพระสงฆ์ที่มีจีวรเก่ากว่าถ้าถามว่าจีวรที่เก่ากว่าทั้งหลายเหล่านั้นมารับไปแล้วเอาไปไหนพระอนุนก็บอกว่าเอาเป็นผ้าปูนอนพระเจ้าเทนถามว่าผ้าปูนอนชุดเก่าไปไหนพระอนุนก็กราบทูลว่าเอาไปเอาไว้เป็นผ้าปูนั่ง ทันถามว่าพระผู้นั้นมันได้ผ้าปูนั่งใหม่ผ้าปูนั่งผืนหลังพืนเก่าเอาไปไหนว่าวนนท์ก็บอกว่าเอาเป็นผ้าเช็ดเท้าแต่ท่านถามว่าผ้าเช็ดเท้าชุดเก่ า, เาไปไห น, น, นว่านนท์ว่มันผกมากแล้วเอาไปฉีดเล็เลกขยําก็ดินเหนียวทาวาพระเจ้าเทงก็เลยถามว่าพระสงฆ์เนี่ยของที่ได้มาทั้งหมดทำไมเสียเลยหรือ พระอานนท์ก็เลยบอกไม่เสียก็ต่อขอถวายพระพรอันนั้นเองเป็นเหตุให้พระเจ้าเทนถวายผ้ากับผ้าอานนเองคือหญิงทั้งหลายห้าร้อยถวายคนละผืนละผืนละผืนเป็นห้าร้อยผืนระราชาเกิดความเรื่อมใส่จะมารับสั่งให้นำผ้าห้าร้อยผืนมาอีกไม่อีกมากนะนำผ้าห้าร้อยผืนอีก เอามาถวายแกพระอานุนหลังจากนั้นได้ยินว่าพระเถระได้ผ้ามาแล้วถึงห้าร้อยผืนซึ่งประราชาวางไว้แทบเท้าของท่านส่วนห้าร้อยถึงห้าร้อยครั้งหมายว่าถวายห้าร้อยผืนถึงห้าร้อยครั้งแล้วถวาย 1, พันผืนถึงพันครั้งถวายหมื่นผืนถึงหมื่นครั้งถวายแสนผืนถึงแสนครั้ง รวมความว่าพระอนนท์นี่มีผ้ามากกว่าลงทำคงลงทอผ้าลงสร้างผ้าซะอีกเนี่ยมันได้ไปแล้วตามพระบาลีท่านบอกว่าพระอนนท์นี่มีทรัพย์มากใครๆก็ชอบกครใครเขชอบถวายแต่พระอนนท์ไม่เคยเก็บไว้เป็นสมบัติของตนทั้งหมดเลยอยากไปที่ไหนก็ตามถ้าเจอพระขัดสนกับของ ของกินของใช้ผ้าชิมผ้าผ้าใช้สอยผ้า่มแจกดะไปทุกๆวิหารเพราะเวลานั้นหาผ้ามากอราบันดาเพื่อนเป็นุขเพื่อนเป็นสาวพระก็องสมเด็จพระผู้มีพระภาคอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์กำลังมันทึ้งเสียงเสียงอะไรมันปอดปอดกมืองข้ามมันเข้ามือก็ฟน้หรือเปล่าก็ไม่สราบก็รวมความว่า ก็รวมความว่าวันนี้ต้องอยู่กันแค่นี้เพียงพระอนนท์ได้ผ้าเยอะๆแต่วันดาท่านพุทธศาสนิกนชนและเพื่อนบิณฑษสมณีจำจริยาของพระอนนท์ไว้วัตถุใดที่มันดาญาโยามพุทธบริษัทถวายมาจงอย่าละเลยจงอย่าถือว่าของนั้นเป็นของน้อยให้ถือว่าทุกท่านถวายด้วยกำลังใจ กำลังใจของคนนี้เราซื้อกันไม่ได้ด้วยเงินะังนั้นขอท่านทั้งหลายของที่เขาถวายมาเพียงใดเก็บรักษาให้ดี ต, ตัวตัวอย่างพระอนุนว้ถ้าทิ้งของในฐานะที่จะพึงเสียหายได้ระวังนะอบับดคือนรกมันจะกินท่านมีพระหลายองค์สมัยก่อนผมแนะแล้วนะอีกบอกแล้วทุกวัน ก็ยังทำหูทนลมลสมัยนั้นนสมัยนี้ดีขึ้นมากแล้วแต่วความเลวอย่างนั้นยังให้มีกับท่านอีกเราไม่มีใครสามารถใจช่วยท่านได้ในการจะไปนรกวัดเราฟังทั้งระเบียบปณิยฟังธรรมะมีการทั้เจริญพิกรรฐานถ้ายังใจด้านแบบนั้นก็ช่วยเหลือก็ไม่ได้สำหรับท่านที่ดีทั้งหลาย จงรักษากำลังใจไว้ดีคิดว่าการเกิดมานี้มันไม่มีอะไรจะดีเลยดูพระนางสาวมาวาดีเป็นตัวอย่างดีแสนดีแต่คนเลวเขาหาแกล้งหาเรื่องแกล้งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการถูกกลั่นถูกแกล้งตามที่พวกเรากระทบมาจงอย่าคิดว่าใครเขากล้่จงคิดว่ากรรมอโศศนนเดิมที่เราทำไว้มันไม่ดีแกล้ง ดังนั้นชาตินี้ขอถือว่าให้มันแกล้งเป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีเราจะแกล้งอีกนั่นคือเราต้องการนิพพานทำใดที่องค์สมเด็จพระพิชิตธรรมานทรงแนะนําแก่ท่านนางขุทุตรราและท่านท่า น, า น, านสุวรณมาลาการก็ดีได้ยินเทะบ๊าบที่นำพระนางสามาวดีทรงไว้ได้จระดิ่งห้าร้อย ยองรักษาทำในนั้นมาเป็นเบืเ้องต้นคืออารมณ์คขาโสดาบันหลังจากใ น, นพยาหามยำหัมหังกิเลส ท, ทุกอย่างให้เป็นสมุทิปะหารโดยเฉพาะอย่างนี่งดับแรกหนึ่งตัดโลพะความโลภได้จาคานุตติกรรมฐานนึกจะให้ทานไว้เสมอสองตัดความโกรธและกำลังของพรมมหารสี่ ภาษาตัดอารมณ์ไม่ดีคือความหลงดวยอดำน่าของปัญญาคิดว่าโลกนี้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือคนทั้งหมดเกิดมาแล้วเท่าไรตายหมดเท่านั้นสัตว์ทั้งหมดเกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นวัตถุธาตุทั้งหมดก็สลายหมดแม่ที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านเป็นลูกของกษัตริย์ท่านยังไม่ปราถนาความเป็นอยู่ต่อไป องค์สมเด็จไปจอมใจปรมศาศราปรารถนาพระนิพพานชั้นใดทำใดที่องค์สมเด็จไปจอมใจสมบูรรลุแล้วสมเด็จก็มาทิ้งแก้วก็สรงมอบให้แก่เราทั้งหมดฉะนั้นขอทุกท่านที่เป็นสา ว, วกขององสมเด็จพระบรมสุคติยงปฏิบัติตามท่านคีคิดไว้เสมอว่าเราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เกเรวดาและผลต่อไป ขันยานบอกเวลาบอกเลิกได้ก็ข อ, อยุติวัาะเปียนทำนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแดบรนดา่านาพุทธศาสนิกชนและเพื่อมิสรสมานเณรทุกท่านสวัสดี